ขันธสั่งยุต์ณตุมหากวรคหมดว่าด้วยสิ่งที่ไม่ใช่ของเธอทั้งหลายเรื่องเกิดขึ้นที่กรุงสาวัตถีภิกษุทั้งหลายสิ่งใดไม่ใช่ของเธอทั้งหลายเธอทั้งหลายจงละสิ่งนั้นสิ่งที่เธอทั้งหลายลบได้แล้วนั้นจะเป็นไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูลเพื่อความสุข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 เมื่อละได้แล้วจะเป็นไปเพื่อประโยชน์เกื่อกูลเพื่อความสุขเปรียบเหมือนคนพึงนำหญ้าไม้กิ่งไม้และใบไม้ที่มีอยู่ในจัตวันนี้ไปเผาหรือจัดการไปตามเรื่องเธอทั้งหลายจะพึงมีความคิดอย่างนี้บ้างไม่ว่าคนนำเราทั้งหลายไปเผาหรือจัดการไปตามเรื่อง ตอบว่าไม่มีเลยพระพุทธเจ้าค่าข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะย่าเป็นต้นนั้นไม่ใช่อัตตาหรือสิ่งที่เนื่องด้วยอัตตาอุปมาณ้ฉันใดอุปมาอกก็ฉันนั้นเหมือนกันรูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณไม่ใช่ของเธอทั้งหลายเธอทั้งหลายจงละเมื่อละได้แล้ว จกเป็นไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูลเพื่อความสุขว่าด้วยภิกษุรูปหนึ่งทูลถามปัญหาเรื่องเกิดขึ้นที่กรุงสาวัตถีภิกษุรูปหนึ่งเข้าเฝ้ากราบทูลขอให้ทรงโปรดเมตตาแสดงธรรมเพื่อได้ฟังแล้วจะหลีกออกไปบำเพ็ญเพียรอยู่ผู้เดียว พระผู้มีพระภาคตรัสว่าภิกษุบุคคลครุนคิดถึงสิ่งใดก็ถึงการนับเข้ากับสิ่งนั้นไม่ครุนคิดถึงสิ่งใดก็ไม่ถึงการนับเข้ากับสิ่งนั้นภิกษุนั้นทูลตอบว่าเข้าใจแล้วจึงทรงถามว่าเธอเข้าใจคำที่เรากล่าวอย่างย่อดโดยพิสดารได้อย่างไรกราบทูลตอบว่า ข้าแต่พระองค์พู้เจริญถ้าบุคคลครุ่นคิดถึงรูปก็ถึงการนับเข้ากับรูปนั้นถ้าครุ่นคิดถึงเวทนาถึงสัญญาถึงสังขารถ้าครุ่นคิดถึงวิญญาณก็ถึงการนับเข้ากับสิ่งนั้นๆถ้าบุคคลไม่ครุ่นคิดถึงรูปก็ไม่ถึงการนับเข้าถึงรูปนั้น ถ้าไม่คุนคิดถึงเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณก็ไม่ถึงการนับเข้ากับแต่ละประการนั้นพระผู้มีพระภาตรัสว่าดีแล้วภิกษุเธอเข้าใจเนื้อความแห่งคําที่เรากล่าวไว้อย่างย่อดโดยพิสดารได้ดีแล้วครั้งนั้นภิกษุนั้นชื่นชมยินดีพระภาสิทธิจากไปไม่นาน หลีกออกไปอยู่คนเดียวไม่ประมาทมีความเอี่ยนอุทิศกายและใจอยู่ไม่นานนักก็ทำให้แจ้งซึ่งประโยชน์ยอดเยี่ยมอันเป็นที่สุดแห่งพรหมจรรย์ได้เป็นพระอรหันต์องค์หนึ่งในบรรดาพระอรหันต์ทั้งหลายภิกษุบุคคลครุ้นคิดถึงสิ่งใดก็หมกมุ่นถึงสิ่งนั้นหมกมุ่นถึงสิ่งใด ก็ถึงการนับเข้ากับสิ่งนั้นไม่คุนคิดถึงสิ่งใดก็ไม่หมกมุ่นถึงสิ่งนั้นไม่หมกมุ่นถึงสิ่งใดก็ไม่ถึงการนับเข้ากับสิ่งนั้นถ้าบุคคลคุนคิดถึงรูปก็หมกมุ่นถึงรูปนั้นหมกมุ่นถึงรูปใดก็ถึงการนับเข้ากับรูปนั้นและโดยในยะเดียวกันกับเรื่องของรูป คือเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณถ้าคุณคิดถึงสิ่งใดก็หมกมุ่นถึงสิ่งนั้นและถึงการนับเข้าในแต่ละประการนั้นว่าด้วยพระอานนท์เรื่องเกิดขึ้นที่กรุงสาวัตถีพระผู้มีพระภาคตรัสกับพระอานนท์ดังนี้ว่าอานนท์ ถ้าภิกษุทั้งหลายพึงถามเธออย่างนี้ว่าท่านอานน์ความเกิดขึ้นแห่งธรรมะเ่าไหนปรากฏความเสื่อมไปแห่งธรรมะเ่าไหนปรากฏเมื่อธรรมะเราไหนตั้งอยู่ความแปรปรากฏเธอถูกถามอย่างนี้จะพึงตอบอย่างไรกราบทูลว่าถ้าพระองค์ถูกถามอย่างนี้พึงตอบอย่างนี้ว่า ความเกิดขึ้นแห่งรูป ป, ปรากฏความเสื่อมไปแห่งรูป ป, ปรากฏเมื่อรูปตั้งอยู่ความแปรปรากฏความเกิดขึ้นแห่งเวทนาสัญญาสังขาร or, วิญญาณปรากฏความเสื่อมไปของแต่ละประการนั้นปรากฏเมื่อเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณตั้งอยู่ความแปรย่อมปรากฏ ความเกิดขึ้นแห่งธรรมะเหล่านี้ปรากฏความเสริมไปแห่งธรรมะเหล่านี้ปรากฏเมื่อธรรมะเหล่านี้ตั้งอยู่ความแปรย่อมปรากฏพระผู้มีพระภาคตรัสว่าดีแล้วอานน์เมื่อเธอถูกถามอย่างนี้แล้วพึงตอบอย่างนี้อานน์ถ้าภิกษุทั้งหลายพึงถามอย่างนี้ว่าท่านอานนน ความเกิดขึ้นแห่งธรรมะเหล่าไหนปรากฏแล้วความเสื่อมไปแห่งธรรมะเหล่าไหนปรากฏแล้วเมื่อธรรมะเหล่าไหนตั้งอยู่ความแปรปรากฏแล้วความเกิดขึ้นแห่งธรรมะเหล่าไหนจกปรากฏความเสื่อมไปแห่งธรรมะเหล่าไหนจกปรากฏเมื่อธรรมะเหล่าไหนตั้งอยู่ความแปรจกปรากฏความเกิดขึ้นแห่งธรรมะเหล่าไหนปรากฏ ความเสื่อมไปแห่งธรรมะเหล่าในปรากฏเมื่อธรรมะเหล่าไหนตั้งอยู่ความแปรปรากฏเธอถูกถามอย่างนี้แล้วจะพึงตอบอย่างไรถ้าพระองค์ถูกถามอย่างนี้พึงตอบอย่างนี้ว่ารูปใดล่วงไปดับไปแปรพันไปแล้วความเกิดขึ้นแห่งรูปนั้นปรากฏแล้ว ความเสื่อมไปแห่งรูปนั้นปรากฏแล้วเมื่อรูปนั้นตั้งอยู่ความแปรปรากฏแล้วและโดยในยะเดียวกันเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณก็เช่นเดียวกันรูปใดยังไม่เกิดยังไม่ปรากฏความเกิดแห่งรูปนั้นจกปรากฏความเสื่อมไปแห่งรูปนั้นจกปรากฏ เมื่อรูปนั้นตั้งอยู่ความแปลจากปรากฏและเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณก็เช่นเดียวกันกับเรื่องของรูปรูปใดเกิดแล้วปรากฏแล้วความเกิดขึ้นแห่งรูปนั้นปรากฏความเ่ิมไปแห่งรูปนั้นปรากฏเมื่อรูปนั้นตั้งอยู่ความแปลปรากฏ โดยในยะเดียวกันเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณก็เช่นเดียวกันพระผู้มีพระภาตรัสว่าดีแล้วอานน์เธอถูกถามอย่างนี้พึงตอบอย่างนี้แหลว่าด้วยผู้มีธรรมะอันเหมาะสม เรื่องเกิดขึ้นที่กรุงสาวัตถีพระผู้มีพระภาคตรัสว่าภิกษุผู้ปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมมีธรรมะอันเหมาะสมคือพึงเป็นผู้มากด้วยความเบื่อหน่ายในรูปในเวทนาในสัญญาในสังขารในวิญญาณ เมื่อเธอเป็นผู้มากด้วยความเบื่อหน่ายในรูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณ น, นั้นก็นนจะกำหนดรู้รูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณ น, นั้นเมื่อเธอกำหนดรู้แล้วย่อมพ้นจากรูปย่อมพ้นจากเวทนาย่อมพ้นจากสัญญาสังขารและวิญญาณนั้นเรากล่าวว่า ยอมผลจากชาติชรามรนะโมรณะโสกะบริเทวะทุกโทมนัสและอุปายาตและยอมผลจากทุกขภิกษุผู้ปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมรมีธรรมะอันเหมาะสมคือพึงเป็นผู้พิจารณาเห็นความไม่เที่ยงในรูปในเวทนาในสัญญาสังขารและวิญญาณอยู่ เมื่อเธอพิจารณาเห็นความไม่เที่ยงในสิ่งเหล่านั้นก็จะกำหนดรู้รูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณนั้นเมื่อกำหนดรู้แล้วย่อมพ้นจากรูปย่อมพ้นจากเวทนาย่อมพ้นจากสัญญาสังขารและวิญญาณนั้นเรากล่าวว่าย่อมพ้นจากชาติชราโมรณะโสกปริเทวะทุกโทมนัส และอุปายาตและยอมพ้นจากทุก์ภิกษุพึงเป็นผู้พิจารณาเห็นทุก์ในรูปในเวทนาในสัญญาสังขารในวิญญาณอยู่เมื่อเธอพิจารณาเห็นทุก์ในสิ่งนั้นๆก็จะกำหนดรู้รูปเวทนาเป็นต้นนั้นเมื่อเธอกำหนดรู้แล้วยอมพ้นจากรูป ย่อมพลจากเวทนาเป็นต้นนั้นเรากล่าวว่าย่อมพลจากชาติชรามรณนะโสกปริเทวะทุกโทมนัสและอุปายาตและย่อมผลจากทุกภิกษุทั้งหลายภิกษุผู้ปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมร ม, ร ม, มีธรรมะอันเหมาะสมคือพึงเป็นผู้พิจรารณาเห็นอนัตตาในรูป ในเวทนาในสัญญาสังขารในวิญญาณอยู่เมื่อเธอพิจารณาเห็นอนัตตาในรูปในเวทนาเป็นต้นนั้นก็จะกาหนดรู้รูปเวทนาสัญญาเป็นต้นนั้นเมื่อเธอกาหนดรู้ย่อมพ้นจากรูปย่อมพ้นจากเวทนาย่อมพ้นจากสัญญาสังขารและวิญญาณนั้นเรากล่าวว่า ย่อมพลนจากชาติชรามรณะโสกะปริเทวะทุกโทมนัสและอุปาญาตและย่อมพ้นจากทุกอัตถิปวัหมวดว่าด้วยการมีตนเป็นกอะเรื่องเกิดขึ้นที่กรุงสาวัตถีพระผู้มีพระภาคตรัสว่า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 เมื่อเธอมีตนมีธรรมะเป็นที่พึ่งควรพิจารณาถึงกำเนิดว่าโซกะความเศร้าโศกปริเทวะความคร่ำครวญทุกข์คือความทุกข์กายโทมนัสความทุกข์ใจและอุปาญาตคือความคับแค้นใจเกิดขึ้นอย่างไรมีอะไรเป็นแดนเกิดปุตชนในโลกนี้ผู้ไม่ได้สดับไม่ฉลาดในธรรมะ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 และโดยในยะเดียวกันเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณก็เช่นเดียวกันภิกษุทั้งหลายก็เมื่อภิกษุรู้ว่ารูปไม่เที่ยงแปรผันไปกลายไปดับไปเห็นด้วยปัญญาอันชอบตามความเป็นจริงอย่างนี้ว่ารูปในการกร่อนและรูปทั้งปวงในบัดนี้ล้วนไม่เที่ยงเป็นทุกข์ มีความแปรพันเป็นธรรมดาก็จะละโสกะบริเทวะทุกโทมนัสและอุปาญาตได้เพราะละโสกกะเป็นต้นเหล่านั้นได้จึงไม่สะดุง้งเมื่อไม่สะดุง้งก็อยู่เป็นสุขพิกษุผู้อยู่เป็นสุขเรากล่าวว่าผู้ดับ ก, กิเลสแล้วด้วยองค์ธรรมนั้นและโดยนัยยะเดียวกัน เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณก็เช่นเดียวกันว่าด้วยปฏิปทาเรื่องเกิดขึ้นที่กรุงสาวัตถีพระผู้มีพระาพาตรัสแสดงเรื่องสักกายะทิฏฐิตรัสแสดงเรื่องปฏิปทาที่ให้ถึงสักกายะสมุทยัยคกอเหตุเกิดแห่งสักกายะ และปฏิปทาที่ให้ถึงสักกายะนิโรธคือความดับแห่งสักกายะสักกายะในที่นี้หมายถึงอุปาทานขันห้าประการปฏิปทาที่ให้ถึงสักกายะสมุทัยเป็นอย่างไรคือปุตุชนในโลกนี้ผู้ไม่ได้สดับพิจารณาเห็นรูปโดยความเป็นอัตตาพิจารณาเห็นอัตตาว่ามีรูป พิจารณาเห็นรูปในอัตตาหรือพิจารณาเห็นอัตตาในรูปและโดยนัยเดียวกันเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณก็พิจารณาเห็นดังนั้นเช่นกันนี้เรียกว่าปฏิปทาที่ให้ถึงสักกายะสมุ ท, ทยัยคําว่าปฏิปทาที่ให้ถึงสักกายะสมุ ท, ทยัยดังกล่าวมานี้ เราเรียกว่าการพิจารณาเห็นที่ให้ถึงทุกขะสมุทยัยนี้เป็นใจความในข้อนี้ปฏิปทาที่ให้ถึงสักกายะนิโรธเป็นอย่างไรคืออริยาสาวกในธรรมวินัยนี้ผู้ไดสดับไม่พิจารณาเห็นรูปโดยความเป็นอัตตาไม่พิจารณาเห็นอัตตาว่ามีรูปไม่พิจารณาเห็นรูปในอัตตา หรือไม่พิจารณาเห็นอัตตาในรูปและโดยในยะเดียวกันไม่พิจารณาเห็นเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณโดยความเป็นอัตตานี้เรียกว่าปฏิปทาที่ให้ถึงสักกายะนิโรธคาว่าปฏิปทาที่ให้ถึงสักกายะนิโรธดังกล่าวมานี้เราเรียกว่า การพิจารณาเห็นที่ให้ถึงทุกข์นิโรดนี้เป็นใจความในข้อนี้ว่าด้วยสิ่งที่ไม่เที่ยงเรื่องเกิดขึ้นที่กลุงสาวถีพระผู้มีพระภาคตรัสว่ารูปไม่เที่ยงสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์สิ่งใดเป็นทุกข์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 และโดยในยะเดียวกันเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณล้วนไม่เทียงสิ่งใดไม่เทียงสิ่งนั้นเป็นทุกข์สิ่งใดเป็นทุก์สิ่งนั้นเป็นอนัตตาสิ่งใดเป็นอนัตตาพึงเห็นด้วยปัญญาอันชอบตามความเป็นจริงว่านั่นไม่ใช่ของเราเราไม่เป็นนั่นนั่นไม่ใช่อัตตาของเรา เมื่อเห็นด้วยปัญญาจิตย่อมคลายกำหนัดหลุดพ้นจากอาสวะทั้งหลายเพราะไม่ถือมัน่นภิกษุทั้งหลายถ้าจิตของภิกษุคลายกำหนัดจากรูปธาตุก็เป็นจิตที่หลุดพ้นแล้วจากอาสวะทั้งหลายเพราะไม่ถือมัน่นถ้าจิตของภิกษุคลายกำหนัดจากเวทนาธาตุสัญญาธาตุแสงคาราธาตุวิญญาณธาตุ ก็เป็นจิต ท, ที่หลุดพ้นแล้วจากอสวะทั้งหลายเพราะไม่ถือมัน่นเพราะหลุดพ้นจึงตั้งมัน่นเพราะตั้งมั่นจึงสันโดษเพราะสันโดษจึงไม่สะดุง้งเมื่อไม่สะดุง้งย่อมดับไปเองภิกษุนั้นรู้ชัดว่าชาติคือการเกิดสิ้นแล้วอยู่จบรมอาจาร์แล้วทำกิจที่ควรทำเสร็จแล้วไม่มีกิจอื่น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 นั่นไม่ใช่อัตตาของเราเมื่อเห็นด้วยปัญญาอันชอบตามความเป็นจริงอย่างนี้การตามเห็นส่วนเบื้องต้นคืออดีตก็ไม่มีเมื่อการตามเห็นส่วนเบื้องต้นไม่มีการตามเห็นส่วนเบื้องปลายคืออนาคตก็ไม่มีเมื่อการตามเห็นส่วนเบื้องปลายไม่มีความยึดมั่นอย่างแรงกล้าก็ไม่มี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 รู้ชัดว่าชาติสิ้นแล้วอยู่จบรมจรรย์แล้วว่าด้วยขันเรื่องเกิดขึ้นที่กรุงสาวัตถีพระผู้มีพระภาคตรัสแสดงขันห้าประการแก่ภิกสุท์ทั้งหลายดังนี้ขันห้าประการอะไรบ้างตือรูปอย่างใดอย่างหนึ่ง ทั้งที่เป็นอดีตอนาคตและปัจจุบันภายในหรือภายนอกหยาบหรือละเอียดเลวหรือประณีตไกลหรือใกล้ก็ตามนี้เรียกว่ารูปขันเวทนาอย่างใดอย่างหนึ่งคือเวทนาขันสัญญาอย่างใดอย่างหนึ่งคือสัญญาขันสังขารเหล่าใดเหล่าหนึ่งคือสังขารขัน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 รูปูปาทานขันอุปาทานขันคือรูปเวทนาอย่างใดอย่างหนึ่งสัญญาสังขารวิญญาณอย่างใดอย่างหนึ่งทั้งที่เป็นอดีตอนาคตและปัจจุบันประกอบด้วยอาสวัเกื้อกูลแก่อุปาทานภิกษุทั้งหลายเหล่านี้เรียกว่าอุปาทานขันห้าประการ ว่าด้วยโสนักขหบดีบุตรสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณเกศกรุงราชกฤชครั้งนั้นบุตรของขหาบดีชื่อโสนะเข้าเฝ้าถึงที่ประทับพระผู้มีพระภาคตรัสกับโสนะขหาบดีบุตรดังนี้ว่าโสนะก็สมณะพรามเราได้เราหนึง่งพิจารณาเห็นว่าเราเลิศกว่าเขา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 ด้วยเวทนาสัญญาสังขารหรือวิญญาณที่ไม่เที่ยงเป็นภุมมีความประพันเป็นธรรมดาที่เป็นเช่นนี้ไม่ใช่อะไรนอกจากการไม่เห็นความเป็นจริงโสนาส่วนสมณะพราหมณ์เราใดเหล่าหนึง่งไม่พิจารณาเห็นว่าเราเลิศกว่าเขาเราเสมอเขาหรือเราด้อยกว่าเขา ด้วยรูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณที่ไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความระภันเป็นธรรมดาที่เป็นเช่นนี้มิใช่อะไรนอกจากการเห็นความจริงจากนั้นตรัสถามโสนทีละข้อว่ารูปเที่ยงหรือไม่เที่ยงทูลตอบว่าไม่เที่ยงก็สิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์หรือเป็นสุข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 โสนะเพราะเหตุนั้นแลรูปอย่างใดอย่างหนึ่งเวทนาอย่างใดอย่างหนึ่งสัญญาสังขารหรือวิญญาณอย่างใดอย่างหนึ่งทั้งที่เป็นอดีตอนาคตปัจจุบันภายในหรือภายนอกหยาบหรือละเอียดเลวหรือปราณีตไกลหรือใกล้ก็ตามทั้งหมดนั้นเธอพึงเห็นด้วยปัญญาอันชอบตามความเป็นจริงอย่างนี้ว่านั่นไม่ใช่ของเรา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 เพราะสิ้นทั้งความเพลิดเพลินและความกำหนัดจิตจึงหลุดพ้นเราเรียกว่าหลุดพ้นดีแล้วและโดยในยะเดียวกันภิกษุเห็นเวทนาที่ไม่เที่ยงนั้นแหล ว, ว่าไม่เที่ยงเห็นสัญญาสังขารหรือวิญญาณที่ไม่เที่ยงนั้นแหละ ว, ว่าไม่เที่ยงความเห็นของเธอเป็นสมมติทิฏเมื่อเธอเห็นโดยชอบก็ย่อมเบื่อนาย เพราะสิ้นความเพลิดเพลินจึงสิ้นความกำนัดเพราะสิ้นความกำนัดจึงสิ้นความเพลิดเพลินเพราะสิ้นทั้งความเพลิดเพลินและความกำนัดจิตจึงหลุดพ้นเราเรียกว่าหลุดพ้นดีแล้วภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายจงมานาสิการรูปโดยแยบกายและจงพิจารณาเห็นความไม่เที่ยงแห่งรูปตามความเป็นจริง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 จงมณสิการสัญญาสังขารหรือวิญญาณโดยแยกขายเช่นเดียวกันนั้น